ผุ้โวยังหาคุณงามความดีผู้ไฝ่บุญไฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้นเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมนิกขาในวันธรรมสวรรคะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ วันนี้ไดมาภาพได้มีโอกาสมากล่าวธรรมนิกถาทำบรรยายในทางศานีวิทยุกระจายเสียงแก่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจไฝ่ธรรมคอยท่านนังหลายจงเลยตั้งอกตังก้งใจฟังกันให้ดีจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้ อ, ขอคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนา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 รุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมเคาใช้คำว่ารุ่งอรุณคาว่ารุ่งอรุณนี้คือยังไม่สว่างดีที่คนโบราณอีสานเราเรียกว่าคอนซิแกงจนซีหงเสิแงสางไตกระการตีกตบตัวแซวขันสันเสียงนี้นั่นคนบอกจอแจคูควมเข็มสุริงเงศลองเหยียบเนื่องฝาสว่างมาก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 ริมคลองป่าดิบดงดําสมัยก่อนจวนสว่างนกกระเวามันร้องแม่ก็ปกไปตามข้าวคบมองสมัยก่อนโน่นไม่มีลงสีถ้ายังจําได้ <c oughs> นั่นเรียกว่ารุ่งอรุณรุ่งอรุณในเมื่อมีรุ่งอรุณอยู่ความสว่างสวัยก็จะตามมาถ้าหากไม่มีเมฆดีบอกมาบดบังพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดเปรียบเทียบบ่อยๆว่าพิกสุททั้งหลาย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 อันปกติมั่นคงอย่างถูกต้องแล้วมันก็จะถึงความหมดปัญหาอย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาวิ่ยมุดมีความเห็นอย่างถูกต้องความรู้อย่างถูกต้องสัมมาญาณนะทั้งหมดนั่นก็คือสมมติพูดเป็นภาษาพระมันลำบากก็เลยผูดภาษาบ้านเราอย่างนี้เฮตใดที่จะต้องเอาเรื่อง รุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมมาพูดเพาะเหตุว่ามีเรื่องราวอนุสนที่จากความรู้สึกในวันนัดพบผู้ไฟทําที่ผ่านมาดังกล่าวการนัดพบผู้ไฟทําที่ผ่านมาวันที่สิบถึงสิบเจ็ดกุมภาเจ็ดวันเจ็ดคืนซึ่งเรื่องนี้เดะมาก็คิดไม่ถึงอีกเหมือนกันว่า ประชาชนผู้ไฝ่ธรรมทั้งหลายจะเดินทางกันมามากมายถึงขนาดนั้นมีความคิดเล่นๆว่าตลอดเวลาที่เราได้รับนิมนต์ไปปาฐกถาธรรมในที่ต่างๆในงานปริวาสกรรมในงานอบรมประชาชนอะไรต่างๆทั่วเกือบทุกภาคในประเทศไทยได้เห็นทั้งสิ่งที่ดี เพื่อพระศาสนานและสิ่งที่ไม่เข้าท่าชอบมาพากนก็เคยเห็นบางแห่งเดินชะนาดว่าจัดงานปริวาตรกรรมแล้ว <c oughs> เอาพวกนักบวชข้อขาวแม่ขาวที่เรียกว่าชีพามตอนเย็นมาเอารถติดประกาศไปโฆษณาว่าชีพามพระสององค์เจ้าจำนวนมากจะมาบินทบาทที่หมู่บ้านของท่านขอท่านดังไลยจัง รอคอยที่จะทำบุญกับบาทอนุเคราะห์แก่พวกนักบวชทางห้ายเป็นบุญเป็นกุศลแก่ท่านเป็นโอกาสดีที่ท่านหนึ่งหลายจะได้ทาบุญกับพูดที่มีศีลมีธรรมประกาศไว้จนทั่วเช้ามาก็เอารถบรรทุกบอกแม่ขาวพ่อขาวอะไรต่างๆนี่เดินทางไปไปบิณฑบาตกันแล้วก็บอกว่าบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจนข้าวสุกนั้นไม่เอา วันวันหนึ่งบางครั้งได้แต่ยี่สิบสามสิบกระสอบพอปีนี้คนก็ได้ข่าวได้ปลาพอได้มาแล้วก็เอาใส่รถใส่กระสอบไปเที่ยวขายเข้าสารเห็นแล้วก็น่านึกเป็นห่วงนาสมเพศเวทนาว่าการกระทำอย่างนี้มันถูกต้องดีงามแล้วหรือมันเป็นการ แสวงหาทางราบสักการะมุ่งไปที่วัตถุเอาบุคคลเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือเป็นปริวาสพานิ่เป็นพุทธภานี์เห็นแล้วก็ไม่สบายใจนักต่อไปว่าโอ้ศาสนาของพระสมณะโคดมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะอยู่ยั่งยืนนานด้วยประการนี้คงจะเป็นไปไม่ได้แน่ๆคิดแล้วคิดอีล้วไปเทในที่ต่างๆ Él. ก็เคยพบเคยเห็นคนที่มาบวชชีพางก็ดีพระสงฆ์องค์เจ้าส่วนมากพันตาสองพันตาสามพันต้ายังหนุม่มหนุ่มยังใหม่ๆ่ยังเป็นเน่าวะตะก็มีความคิดรักพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่านี้ถ้าท่านท่างหลายเหล่านี้มีอิริกรรมการเพื่อพระศาสนาบวชมาเพื่อศึกษาศินสมาธิปัญญาเพื่อทําลายความยึดมั่นถือมั่นเพื่อทําลายกิเลสละตัญหา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 มีประโยชน์คือท่านที่อยากบวชใหม่เหล่านี้ได้รับประโยชน์ได้อชีทางอุดมการทางสติปัญญาบางคนคิดจะศึกแต่เที่ยวไปฟังไปแล้วก็เปลี่ยนใจศออาสนานี่มันมีอะไรดีๆเกิดแนวคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาก็อยู่กันต่อไปแต่ก็น่าเสียดายในปริวาส ต, ต่างๆนั้นไม่ค่อยได้เน้นกันในทางสมาธิภาวนา มีแต่ส่วนมนทรธรรมวัดแปลทั้งโยมทั้งพระก็ดีอยู่ดอกแปลนั่นดีแน่แน่เสร็จแล้วก็ฟังนิมนต์วิทยากรครูบาอาจารย์ญาติโยมที่ทรงคุนบับพุทธิเปลี่ยนหน้ากันมาเทศมาสอนบางทีก็ฟังไปม่วงหาว้าวนอนไปการนี้ได้ฝึกจิตให้เป็นตามาธิอะไรนั่นมันมีน้อยทำวัดเสร็จกมาโอกาซาโอกาสานโอการ น, นี่ค่ะพระเ้าจะสมาทานเอาสึ่งพระกรรมฐาน ขอให้คณิกะสมาธิปการอุปจารสมาธิอปันาสมาธิและวิปัตนาญาณจงเกิดมีในขนันสันดานของข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้อยู่ที่ลมหายใจเข่าออกว่าเข้าไปนนั่งแล้วก็นัง่งไม่ถึงห้านาทีสัําก้นยังไม่อุ่นเลยสมควรแก่เวลาแล้วแล้วก็ออกมาไม่ค่อยจะดับประโยชน์ คิด <S an> ไปคิดมาเป็นห่วงสาตนาะคนที่สนใจทางฟิล์ทางธรรมทางสาตนาะยังมีเยอะและญาติโยมทั้งหลายก็ ย, ยังสนใจที่จะให้การโอปธ ร, รมคำจุนทาบุญสุนทรธานแก่ผู้ไปทํามทั้งหลายเมื่อมาและเอบ่่น่่่นี่ก่่กกก่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่นา่่่ถ้าจะเ่ิญชวนท่านทั้งหลายมารวมกันเนี่ยจะมีการ เลี้ยงดูกันสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์กันไหวหรือไม่เนอะยังนึกไปนึกมาก็เลยลองทำใจกล้าดูใจกล้ากล้าดูเดืกใจรักพระพุทธศาสนาก็เลยประกาศเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจไฟธรรมมาร่วมในวันนัดพบผู้ไฟธรรมที่นิเพธพา ร, ราม บ, บ้านแพทย์อพเภอกำาพง้าจังหวัดสกลนครเจ็ดวันเจ็คืน อบรมสมาธิภาวนาสมาธิปริวาสเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตและสังคมให้รรมเย็นขึ้นมาแล้วประกาศไปอย่างนี้ไม่ได้มีโฆษณาอะไรมากก็ได้อาศัยสถานีวิทยุชายเสียงเก้าส่ยนเก้านี่แหละคุณสาคอนบ้างคุณโยมประสิทธิ์บ้่งคุณโยมผู้หญิงแต่มีรายการก็ช่วยกันพูด นึกไม่ถึงเลยว่าคนจะมามากมายกลายกองขนาดนี้ปรากฏว่าเราก็พูดหนักๆโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าห้ามไใบลวงหนาหาๆยังสูบบุหรี่ยังเที่ยวมายังติดยาเสพติดเหล่านี้ยังมองไม่เห็นโทษเห็นอาทีนวนิสลาณะสิ่งเหล่านี้ก็อย่าพึงมาเลยจะเป็นตัวอย่างไม่ดีไม่งามแก่ยาโยมพุทธบริสัทส์เล่นเอาพระสงฆ์องค์เจ้าหน้าความห่าง่าย ตีดชังน้ำหน้าเป็นจำนวนมากอาเวลโลโฮมิข้าเราเป็นผู้ไม่มีเวรให้อภัยกันท่านที่เป็นขี้ยาทั้งหลายคงจะโกรธเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อเราทั้งหลายมองข้ามกันหมดถ้าเป็นสมัยพระพุทธเจ้าแล้วก่อท่านของสายหัวงพิสุเกะที่ท่านกล่าวว่าสมณะพามบางจาพวกปฏิญาณตนเป็นสมณะเป็นาพามแต่ยังไม่รู้ เพิ่งอาสาทะยื่อร่อรถอร่อยอาทินวะโทษอันต่นําสามนิสรณะทางออกตัวอสาทะนั่นคือยาเสพติดละ่ะฮาทินว่านั่นคือโทษของยาเสพติดไปนหนังสมาธิห่าวงามงับมไม่ได้สบอยไม่ได้กินมากจิตใจก็ว้าบุ่นบางแห่งขาบบุรีปุย้ยออกไปบินธบาคุยกันฝักดีนาะ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 ทางใต้ ย, ยันชมพรตะวันออกยันจังหวัดตราถ้าอีสานของเรามากันกับทุกจังหวัดยาเยอมาบวดในครรมจารีเนกรรมจารีนีใต้ร่มเงาแมกไม้ขา้าเพื่อไปหมดเลยเป็นภาพที่แสนประทับใจที่สุดคนเป็น ห้าร้อยกว่าคนเงียบไม่มีเสียงพูดเสียงคุยแล้วนั่งสมาธิกันเช้าสองชั่วโมงเย็นสองชั่วโมงหลังจากนั้นค่อยฟังการบรรยายปาฏกรทาอบรมข้อวัดปฏิบัติไปทีละสะเต็ปสเต็ปสเต็ปไปเห็นแล้วก็เกิดมีความรู้สึกอนุโมหนาะชื่นชมยินดีว่าโอ้นี่มันเป็นการรุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรม นี่คงเป็นรุ่งอรุณเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าความสว่างตะไวจะต้องตามมาเหมือนขอนสีแจงจนสีหงเสิร์งแางไกลกับกลางติกตบตัวแต้วขันสันเสียงนี้นั่นคนเบาจอแจคูควางเข็มสุริเสียงซองเยี่ยมเนื่องฝ่าสว่างมากตัดยุติไหลลมฝ่าสู่สำสารพัดทั้งปากกัดตีนยันเพื่อชีวันอันนี้โทวควี่พันตันขอบทิ้งกันหายาดเหยงสแสวงหาเพื่อปากคลองมาปองเหลี่ยงม า, ามตน้น คนโบราณท่านบอกไว้อย่างนี้เสริงสางจวนจะสว่างอันนี้ก็คล้ายๆกับจะเป็นบุพพานิมิตให้เรารู้ว่าพุทธศาสนา้ย่งคงมี<ร>อยู่ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่เพราะยังมีคนประพฤติปฏิบัติมีผู้คนจำนวนมากเมื่อมาถึงแลก บ, บางคนดีใจจนร้องไห้น้ำตาไหลภาคออกมาด้วยความปลาบปลื้มปีติวันนั้นเราอยู่กันมาหลายกันคืน วันที่สามที่สี่มาฟ้าร้องโคลนขางเล่นเอาพวกนักบวชเนคพระมาจารีเนคพระจารีนีวิ่งกันจ่าละวันวัดก็ไม่มีศาลากุฏิหลังเล็กหลังน้อยอาจเข้าไปกันเป็นปากระปอ 5, ๋องเฮ้ยข้าพันกนกันทั้งคืนเห <c oughs> ็นแล้วก็น่าชื่นชมอนุมโมทนาฝนก็ไม่ตกฟ้าร้องเฉยๆตกนิดๆหน่อยๆ ไม่พอจะเปียกคล้ายๆกับจะเป็นหยาดน้ําตาแห่งความปราบปลื้มปีติยินดีอนุโมทนาแห่งโม่มวลเทพเจ้าเหล่าเทวาเทวดาฟ้าดินที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบอนุโมทนาชื่นชมยินดีปีดาปาโมตอะไรทํานองนั้นละเมือนวันที่จะจากกันฟ้าร้องกลางคืนฝนตกพอเปาะแปะเปาะแปะไม่เปียกแต่เราทั้งหลายก็หวาดกลัวกัน แต่ก็ไม่นีีอยู่กันจนครบวันอันนี้หน้าอนุโมทนาทำให้มีความรู้สึกว่าที่คนบบราณท่านเคยพูดเอาไว้นั้นไม่ผิดศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสพันยู ล, ล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้าพระจันทร์ข้างขึ้นมันมืดข้างแรมมันสว่างสว้พระศาสนาพระธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันบางครั้งก็เสื่อมทุดจนไม่มีคนสนใจ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 เอาบนกระหินเสร็จแล้วก็สบายใจแจกข้าวแจกน้ําแก่ผู้ล้มหายตายจากไปแล้วสบายใจหัวปลายังได้เห็ดก่อนเสาเขาเก่าเห็ดฟุ่นม้อนอะไรต่างๆพวกนี้รู้แต่เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นความสบายใจในเมื่อมันสงบมันร่มเย็นอยู่อย่างนี้ความเดือดร้อนไม่มีก็เลยไม่ต้องกัดตือร้อนที่จะต้องไปสแสวงหาสิ่งอื่นมามากไปกว่าความเสร็จสบยความสุขสบายทางจิตทางใจ คนโบราณมีความสุขง่ายมากกว่าสมัยและมีความทุกยากขณะผิดหวังชอกช้ำคนโบราณไม่ค่อยจะฆ่าตัวตายกินยาตายเพราะจิตใจนั้นบึกบึนเข้มแข็งอดทนรู้เท่าทันอยู่อย่างในกาบในกรเรื่องลึกประสูนหรืรอว่าลึก ล, บ, ลบบ่อสนในเรื่องสุดที่อ่าวสุดที่อาวมันมีสมที่คิด สุดที่เอาอย่างลบไม่สูญบังรหัสสุดที่เอาโอนั่าเจ้าอยู่เบาเศร้าผิดวังชอกชำ้ำขมขื่นเรื่องความรักก็เขียนกันขึ้นมาแต่ในเรื่องนั้นยังสั้นปริศนารมถึงความแข้งแข็งของจิตใจคนโบราณคิดต่อ อ, อ่อยอ่อยเกิดเป็นเล่าคิดต่อเล่าแคมพ์้องผลาเป็นกอไข่คิดต่อหนามวังไซ ส, สังมาคุณคิต่อกอดอกสอนเพื่อเขา่าพนบอไล่ ขึ้นตอนหน้าทองหล่องน้องทรงแมวเพิ่นแต่ช้าขึ้นตอนหน้าหนอกบาด ท, ทั้งสําเพันกระซิ่งขันบดาหน่วยแก้วดวงประเสริฐมหาเพ็รพีศิลบขึ้นเมื่อไปปวดเป็นเทนเถาตั้งตอบาลามีส่างเอาบุญเป็นทีเพิงปะธนาหน่วยแก้วพิลาเข็มสาสติมาในท้อนวัสร้างเธอพ่อหน่วยแก้วไพ่หนาศาสติมา ทั้งหมดนี้อธิบายถึงเรื่องความผิดหวังชอกช้ำขมขื่นมองหมางระหว่างหวังหวังเอาไว้แต่เสร็จแล้วไม่ได้ดังหวังแทนที่จะต้องมากินยาตายปืนยิงหัวตนเองตายภูคอตายเหมือนคนสมัยนี้ไม่มีคนสมัาายโบราณยังบอกว่าบดายหน่วยแก้วดวงประเสริฐมหาเพดพีซิลบขึ้นเมื่อไปบวชเป็นเทนเถ่าต่้งตอบาลและมีส่างเอาบุญเป็นทีพึงหมายก็ว่าเมื่อผิดบังชอกช้ำแล้ว จะต้องกลับไปรักษาหัวใจเข้าวัดเข้าวาสมาทานศีลและประพฤติพทธธรรมอาจารย์ให้จิตใจสงบร่มเย็นเป็นบุญเป็นกุศลเผื่อว่าชาติหน้ามีเราสร้างบุญให้ทันถ้าเกิดพัฒนาจิตใจให้มีศีลให้มีสมาธิมีปัญญารู้เท่าหันกองตั้งขานกันจริงๆได้มาแลว้วก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้ า, กาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดผ้าผ่าจากกัน น้ำหูน้ำตาหลากหลังไหลมากกว่าน้ำในมหาสมุทรในสังสารวัติบัดนี้จะต้องมาร้องไห้มันทำไมรู้เท่าทันเทนเท่าก็ไม่ต้องปรอชาติหน้าชาตินี่ก็ไม่ต้องสนใจอะไรอีกเลยนั่นคนโบราณท่านมีอิมมินิตี้ขอพยภู้ภาษาฝรั่งว่าอิมมินิตี้แปลว่าภูมิต้านทานความทุกข์ทางจิตใจเรียก ว, ว่าอิมมิวนิตี้ออสเปลิช เพิ่ต้านทานทางวิญญาณทางจิตใจมีสูงมากไม่มีทุกข์ผูคอตายกินญานตายได้ไง่ายๆโลกสมัยปัจจุบันมีความทุกข์มากมีความสุขลา บ, บากมีความสุขน้อยมีความทุกข์ได้ไง่ายไม่ไม่ได้ดังใจนิดหน่อยก็มีความทุกข์ผูกคอตายกินยานตายเป็นโรคประสาททั้งหลังที่โลกจเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไป ถึงยุกกดปุ่มพุสวรรต์เอ็นเอดน้ำไหลไฟสว่างหนทางดีไปมาสะดวกสบายคมานาคมทางบกทางน้ําทางอากาศไป ม, มาสะดวกสบายแต่จิตใจของคนสรมัยนี้ถึงแม้จะคับขั่งหลังไหลด้วยวัตถุอินฟลูนซ์ด้วยเมทริเลียนมากมายเลยวะขับขังหลังไหลทางกายนั่นมันคับขังหลังไหลแต่ทางจิตใจอ้าว้างวะว่าเ ว, วโลลิเนคนในสังคมไว้ใจกันไม่ได้เห็นกันเป็น บุคคลแปลกหน้าเห็นกันเป็นมนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้ทั้งหมดนั้นเพราะความขาดสินกาดทำทั้งเขาทั้งเราทั้งสังคมทั้งหมดสมัยนี้จึงขาดแชนอิมมิวเตี้ที่เรียกว่าภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้มากโรคเอชนั้นเพาว่ามันเกิดมาจากขาดอิมมิวเตี้ขาดภูมิต้านทาน ภูมิท่านทานทางกายเกิดโรคเอทภูมิท่านทานทางจิตยิ่งเกิดโรคกีเลศเกิดโรคเวิยนญาณกัดกุ้มเทนชั่นตึงเครียดประเทศที่ยิง่งเจริญยิ่ง่าตัวตายมากยิ่งผูกคอตายมากกินยาตายมากอย่างสหรัฐอเมริกาเดียวนี้ญี่ปุ่นนำหน้าเพราะญี่ปุ่นเจริญกว่าญี่ปุ่นก็เกิดโรคโคราชิสปอคอริบาออคือโรคตายกระทันหันตายเพราะงานหนักตายเพราะความเครียด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 อารมณ์คนไม่ขุนไม่กลุ้นไม่ม่วนด้วยการก็เืนกกะหายในทางการมารมในทางวัตถุในทางได้ทางมีทางเป็นบานลังก์น้อยก็นอนเป็นสุขใจเหมือนสวงสวรรค์ทํานาได้ข้าวมาใส่ยุงใส่ช้างหาปูหาปลาตามทุ่งตามถาดตามป่าตามเขามากินชีวิตรู้สึกจะมีความสุขมากๆหละแต่เดี๋ยวนี้ ยิ่งพัฒนายิ่งศึกษาก็ยิ่งไกลห่างจากความสุขเง้นหิูก็หายความสุขเรียนจบป ร, ริญญาแล้วก็กหายความสุขเหมือนความสุขนั้นขาดแคลนไปจากชีวิตเขาในโลกเพราะนั้นตักที่มีความรู้สูงๆก็รับประกันไม่ได้ว่าจะไม่เป็นโรคประสาทจะไม่เป็นบ้าเป็นบอจะไม่เป็นทุกข์เหมือนกับตาตีตาฝานั่นในสมัยโบราณสภาพแวดล้อมดีสภาพบุคคลสภาพชุมชนโน่นก็พี่นี่ก็อ น, น้องปองดองกันนักนะ เขาเลยมีความสุขใจแล้วก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาพระทรงองค์เจ้าก็ไม่ต้องมาเทศมากอย่างอดา ม, มาทุกวันนิดอกขึ้นธรรมะได้กว่าฮือใบลานมาเทศเรื่องนิทานชาดกอะไรจกัจกจกักวงวงบาปปุนคุณโทษคนฟังแล้วก็ไปเล่าให้หลกให้ล้านฟังหลอกล้านฟังแล้วก็อายชั่วกลัวบาปประพฤติดีล่าชั่วกันไป ไม่ต้องกล่าวมาไกลทั้งเหลืองสมาธิสมถธาวิปัตนาแต่สมัยนี้เรามีความทุกข์มากสังคมเดือดร้อนวุ่นวายความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวร่างกายครับขัง ล, งลังไลจิตใจอ่างวางว้าเวเพ่อแม่กัเป็นทุกข์ลูกเต่าไม่ค่อยสนอกสนใจอย่างเงี้ยมันมีแต่เรื่องที่จะนําไปสู่ความทุกข์ทางนั้นเพราะฉนั้นถ้าจะเปรียบน้ำํำก็คือน้ําที่มันขุนแล้ว ทำยังไงน้ําขุ่นนี่มันจึงจะใสเหมือนเดิมเราจําเป็นจะต้องหาสารส้มม า, วมากวนมาแกงให้สารส้มมันออกกทธิ์เมื่อสารส้มออกฤทธิ์น้ํานี่ก็จะใสลงมาและตะกอนมันก็จะนอนก้นสมาธิภาวนาฝึกจิตใจให้สงบให้ร่มเย็นให้รำงับไม่กระวนกระวายไม่ห้อยหิวต่ออารมณ์ทั้งหลายนั่นคือสารส้ม สารส้มที่จะมากวนมาแกว่งมาแช่ลงไปในจิตในใจซึ่งเปรียบเสมือนน้ำที่มันขุ่นมันมัวพ่อเคนา น, านั่นงานนัดพบผู้ไฟทาสมาธิปริบาทก็เกิดขึ้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายในวัดวาอารามต่างๆท่างก็จัดขึ้นโดยจะพป็อย่างยิ่งไปเทศวันก่อนที่โ น, น่นบ้านภักกัญญาจังหวัดอุบลก ญ, ญาดอนแดน บ้านน้อยๆเจ็ดสิบหลังคาเรือนมีโบสถ์มีศาลาจัดงานเก่าวันเก่าคืนไม่มีมอร้องมอรำไม่มีนั่งมีละครมีแต่ฝังเทศอบรมสมาธิภาวนาเอเห็นแล้วนะอนุโมทนาชื่นชมแท้ๆบ้านน้อยๆทำไมทำได้มีกระทังบ่นั่นคือจิตใจมีสินมีธรรมมีความสมัครสมาคสามัคคีกันสู้อาตมาก็เลยได้ไปเทศตรงนึ่น ยอมมาอ่อนมาบอนเลอกเกินกำลังเทศอยู่ที่อำเภออำนา จ, จเจริญแม้เอารถมารอรับมากับมาไหวไม่ไปร้องห่มร้องไห้ก็เลยไปโอ้บ้านน้อยๆมีโบสถ์มีวิหารแล้วก็จัดงานต้าวันเก้าคืนไม่มีหลังนังไม่มีละครไม่ทำ้ายให้สูญเสียให้สิ้นเปลืองนี่เรียกว่าถอยหลังกลับคืนสู่ทางแห่งศิลแห่งธรรมเรียกว่ากลับคืน สู่มักคาอันสดใสภายใต้อ้อมกอดแห่งพุทธธรรมแล้วก็เลยไปปราถธกธาท้าทปรากรว่าประชาชนหลังไหลกันมาไลายหมูบ้านบ้านซอยจันล้านบ้านตราอำเภอตากาลเพื่อพ้อนก็มีอำเภอพันนาอำเภอโมงสามสิบแม่รู้ว่าอาจารย์สมภพบเดินทางไปปราถกาท้าทำบรรลังไหลกันไปและเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าในการกระทํานั้นนี่แต่พระหนุ่มหนุ่มน้อย เป็นผู้พากันจัดงานอายุพันตาสี่พันตาห้าพันตาลงมาให้จัดงานกระตือรล้นพาญาติยอมฝึกันเห็นแล้วน่ะอนุโมหานนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าที่บอกว่าโยฮเวทะฮรพภิกขุยุนช nice ันติพุทธศาสนังโสอิมังโลกังตภาเซติอัภามุตโตวะจันทีมาแม้จะเป็นภิกษุหนุ่มเพิ่งจะบวชใหม่ๆหรือเป็นสามเณร ถ้ามีจิตใจคว้นคว้าใฝ่ฝันในกิจการของพระพุทธศาสนาโสอิมังโลกังประพาเปตีเขาย่อมส่องโลกในี่ให้สว่างอภามุตโตะจันทิมาเมือนพระจันโคนจร อ, ออกจากกลุ่มเมฆฉันนั้นมเมื่อไปเห็นแล้วก่อนนึกขึ้นชมยินดีกับพระหนุ่มๆ น, น้อยๆเหล่านี้ก็เลยนึกต่อไปว่าโอ้เมื่อพระจันโคนจร อ, ออกจากกุมเมฆแล้วย่อมให้แสงสว่างแก่โลก กลัวแล้วเกินกลัวแ ม, ม่ก้อนใหม่ก้อนใหญ่ๆจะมาบดมาบังให้สามองท้อแท้รันทดเมื่อเกินพันหนุ่มเนีนน้อยจีทางานทําการเพื่อพระศาสนาอย่างอาจารย์มหาสนิทวัดพระใหญ่ชื่นครพนมนี่ก็ยังหนุ่มยังน้อยจัดงานทุกปีเรียกว่าจัดงานปริวัตรกรรมอบรมสมาธิภาว น, นาเคยนิมนต์อาตมาไปแต่จนแล้วจนรอกก็ไม่ได้ไปมันชา การมาบอกกล่าวกันมันถึงกันด้วยจดหมายมันชาบเคยไปเห็นพระนนุ่มๆ น, น, น้อยๆทางานแล้วแม่ชื่นชมใจแต่ก็หวั่นไหวในหัวใจละเกินว่ากลัวจะเกิดมเมฆหมอกก้อนใหม่ก้อนใหญ่ๆมาบดมาบังให้เศร้าวมองแล้วเราจะทําอย่างไรอันนี้ทําให้คิดพอไปถึงแล้วก็เลยก็อืมพระ น, น, นุ่มน้อยๆมากราบมาการท่านอาจารย์มาช่วยงานพวกผมมีกําลังใจที่เราเองก็ยังใหม่อีกเหมือนกัน เอาละในเมื่อเพื่อนฝูงโมคณะมยกจ้องให้เติร์ดทูลให้เป็นผู้แล้วเขเลยให้กับหลังแต่อยู่ตรงนั้นพระราชธารทำอย่างนั้นโศกฝ่าเข้าไปหลายชั่วโมงหลายยกหลายรอบแล้วก็ถูกลากไปต่อไปอีกที่บ้านเปลือยหัวดงอําเภออํานาจเจริญหมู่บ้านเป็นพันๆนั่นก็พระหนุ่มๆสี่ห้าพันสาเป็นผู้จัดอบรมประชาชนไปเป็นพันๆนี่เราเห็นอย่างนี้ก็เลยคิดต่อไปว่าพวกพระหนุ่มเนนน้อยเหล่านี้ถ้าเกิดว่า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 เช่งนั้จะเป็นพิกษุหนุ่มเพิ่งจะบวชถ้าหากยังขวนควายในกิจการพระศาสนาโยคพิกษุหนุ่มผู้เช่นนั้นก็จะยังลงในให้ฟองตวางเมือนพระจันโคโจรออกจากกลุ่มเมชฉนนั้นถ้าเป็นห่วงกันเหลือเกินในจดนี้กลัวจะท้อแท้รันทดกันกลัวผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนและยังจะคลอย ข, ขัดขวางท่าอย่างนี้ก็จะถึงความเสื่อมอีกอย่างหนึ่งถ้ามิเช่นั้นก็จะต้องแข็งแกร่งที่สุด นึกถึงประเทศสีรังกาตกเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างศาสนาะทั้งโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษสัตกไปทั้ง448ปีศาสาปปนาพุทธล้างราวัดล้างไปเป็นแถบๆหมดไปจนพระหมดสิ้นในแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินกลับไปนับถึงศานสนาคริสต์หมดแต่ยังเหลือสามเณรที่มีคุณภาพสามเณรสระนังกอนคนนี้ไม่ยอมเปลี่ยนใจไม่ยอมซึ้งไม่ยอมไปเข้ารีด เที่ยวสอนญอาติโยมประพฤติปฏิบัติทำเองค้นคว้าหลักหนังสือตำราต่างๆที่เหลือจากเขาเผาทิ้งในเบลลานในที่สุดก็สอนคนจนไปถึงพระกันของพระเจ้าแผนดินสิริราชสิงหะเด่นิมนต์ท่านเข้าไปว่าทําไมไม่ซื้อเขาสื้อกันหมดแล้วท่านเลยแสดงทําให้ฟังในที่สุดก็เอาชนะจิตใจของพระเจ้าแผ่นดินได้ ก, กลับมานับถือพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็เลย กลายเป็นราชกิจจานุเบกขาขึ้นมาเชิญให้ประชาชนทุกคนมานับถือพุทธศาสนาและได้มานิมนต์พระประเทศไทยในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกฤษกรกรุงสุยุทธยาไปบวชเป็นอุปาชาบวชให้พวกเขาเขากนหัวเป็นหมืน่นหมื่นรอคอยเป็นหน้าเพราะเห็นนั้นพุทธศาสนาซึ่งรีแสงลงมาเหมือนหญ้าเส้นเดียวที่งกําลังจะขาดเมื่อถูกน้ําฝนโปรยปลายก็โตขึ้นมาใหม่เขียวไปหมดทั่วทั้งท้องทุ่งอันไพศาล เรื่ชั้นใดก็ชั้นนั้ น, น, น, นพุทธศาสนามือนอ่าตะเกียงกำลังจะมอดหลีลงหลีลงจวนจะดับเ น, น้ถูกเติมเชื้อละมันเข้ามาใหม่มุนไส้ขึ้นใหม่ก็เลยลุกโผลมาจนถึงทุกวันนี้เพราะเหตุแห่งฝีงมือสามเมนตะระนางกรขอนเดียวไลยสมัยไง่ตาพน่านับหาลําเป็นของหอมแก่นจันบ่ไดาค่อนเต็มบากค่ามื่อแสนมี่มากหาภูกริบ ป, ปากป๋อทำพระเจ้าบ่หน่า แม่มากหล่นในปาพาน้าสนบอกลาวีกันดาท่อหาเหลืองค้นเท่าเขาดงนะหาประโยชน์แกนมือใหม่นี่หน่อยแต่ส่วนด้วยคนโบลานพูดขอให้มีเธอแม้จะมีน้อยก็ย่างดีมีแก่นมีแกนแกนของไม้ต่างหากแกง่อยแกนของศาสตร์ตนาคือสินสมาธิปัญญาแกนของพระธรรมพระ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะแปดมื่นรีพันธระธรรมขันย่อลงมาโครงสร้างมาก็คือสินสามาธิปัญญาให้มีแก่นอันนี้ไว้บ้างเดี๋ยวนี้เรามีการให้ทานสร้างวัดสร้างวากันใหญ่โตมโหโฬาจะพูดถึงในเรื่องเนื้อทานขึ้นมาคือสินแล้วก็ได้อบรมได้ฝึกกันมีเจริญอุโบสถธาุินกันบ้างแต่เนื้อสินขึ้นมาเอกมีสามาธิเนื้อสามาธิขึ้นมามีปัญญา เรายังไม่สนใจกันเท่าดีควรก็เลยคิดว่าเออเราจะจัดงานลองโดดนัดพบผู้ฝ่ายทับนี่ก็เลยคิดต่อไปว่าเราจะหาอะไรมาเลี้ยงไม่แต่พระเนรที่วัดก็อดอยากเพราะว่าประชาชนอยากไร่ที่อยากไร่นั่นคือความดิ้นรนยื้อย่างสแสวงหามากกระเดี๋ยวความอยากได้มันจะหาเวลาที่ไหนมาวัดมาวาความทุกข์บีบคั้นจนเต็มที่นั่นแหละจึงจะเข้าพอ เ, เห็นนั้นยามใดมีความทุกข์ แล้วบา้บาบๆบอๆบวมบแล้วจึงจะทรงหลูกทรงเต่าเข้ามาในวัทถาหากดีๆไม่มีใครค่อยจะสนใจกําลังมนึกตอไปว่าเราน่าจะทําได้เรื่องการอบรมประชาชนในแถบถิ่นนี้โดยเฉพาะในสกลนครนครพนมโซนของเรานี้บ้านม่วงอาการคําตาต า, ตาวานนเทตนี้โซนนี้ยังไม่เคยมีการอบรมสมาธิปริวาลเอาคนมามากๆอูในความสงบแล้อบรมสิ่งอบรมทําเราลองทําด แล้วก็นึกต่อไปว่าทุกๆปีประชาชนต้องมาสูญเสียพราะการทําบุญให้ทานเป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านประเพณีชาวอีสานจะต้องทําบุญแก่ข้าวอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล้มหายตายไปการอุทิศส่วนกุศลทําบุญแต่ละครั้งเหมือนขุดลงมฝังตนเองให้จมลงไปจมลงไปไปยืมเงินยืมเงินยืมทองมาขายข้าวขายปลาที่จะทําบุญสุนทรภารันนั้นการทําบุญแต่ละครั้งเราก็สิ้นเปือเงินทองไม่ใช่น้อย ชาวบ้านนอกผู้ยากไร้เมื่อคิดถึงพ่อแม่คิดถึงพวถึงเมียถึงลูกที่ล้มห้างตายไปปู่ย่าตายายก็เด็กขายข้าวขายปล า, ามาทําบุญมาแจกข้าวการแจกข้าวของเราสูงเสี้ยเงินถอมมากต่อมาจากนั้นต่อมาจ้างละครซื้อเงื่อซื้อควายมาฆ่ามาเลี้ยงคนกินแล้วเมาแล้วลากออกอาเจียนออกกลับมาชินอีกส่วนที่จะเป็นบุญจริงๆนั้นก็มีน้อเป็นทีน้อยเต็นที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 บางท่านบอกว่าโอ้ยถ้าจะทําบุญแล้วทำยังไงก็ได้ทํากับใครก็ได้จิตใจเราเป็นบุญคิดอย่างนี้มันมีความถูกต้องในดเดียวถ้าอย่างนั้นก็จะไปทําบุญกับโจรโจรจะได้มีเรี่ยวมีแรงมีเงินมีทอง ม, มีข้าวปลาอาหารกินอิม่มแล้วมันจะได้มีแรงมาทําความชั่วก่อเวรสั่งรราําเผาหลอกให้เราลอนถ้าเราทําบุญกับคนที่มีคุณงามความดีพระสงฆองเจ้าที่มุ่งมั่นเพื่อพระศาสนาประพฤติปฏิบัติทำท่านก็จะมีเรี่ยวมีแรงสนับสนุนให้ท่านได้ มีโอกาสประกาศคนงามความดีเป็นที่พึงทางใจแก่พี่น้องแกอยากยอมพุทธบริษัท์จะได้พูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างยังนี้มันมีผลไม่เหมือนกันนาดีนาไม่ดีนาดินเอือดนาดินแคมปูกลงไปงอกขึ้นมาแต่ไม่งามตายซ้าส่วนนาดีๆทําน้อยๆก็ได้ผลมากดห า, ห, ากห่างๆกอใหญ่ๆมีรวงหลาย ท่านใดก็ฉัานนั้นตอนนั้นการทําบุญท่านจึงให้เลือกพระพุทธญาณบอกวิจยยะทานังสุขตับปัสสะทังยะตาตินังมหาพลังเหลือกดีๆแล้วให้ทานตั้สุขสลเสริญแล้วจะมีผลอันยิ่งใหญ่นี<ม>่ย ไ, ไ, ไม่เหมือนกันพวกง่ายๆเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าหากเราทําความดีกับคนอาคตันยูคนที่ไม่เคยนึกถึงบุญคุณทาไปเถิดยกให้ทั้งแผ่น ด, ดินพระพุทธญาณบอกเขาไม่คํานึงถึง<อ>มุญคุณงามความดีไม่คํานึงถึงบุญถึงคุณมพวกอาคตันยูแม้จะยกแผ่นดินให้ก็ไม่คํานึง ทั้งบุญคนพุทธเจ้าฮันวาอย่างนี้แมนสีทำดีให้ซุ่มแนวน้ามสัวคือจังตักตอนหนามย่อยหย็นใส่ทรายคนเวลาผู้นี้ทำบุญกับคนชั่วมัเนเทน้ำลงไปในสายมันไหลนี้หมดเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำบุญกับคนที่มีบุญมีคนท่านท่าน ท, ท, ท, ท, ที่มีความกระตันอูกระตาเวที ข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวท่านการลำลึกถึงพระทรงองค์เจ้าที่มีศีลสมาธิปัญญาวิจารณายาท่านจะคิดเสมอว่าโอ้ข้าวเม็ดหักผักเส้นใดที่ญาติโยมเอามายกใส่กล่าเท้าใส่หัวถาวายนั้นไม่ใช่ได้มาโดยง่ายเขาต้องแข่งฟ้าแข่งฝ น, น, นลุยตมลุยโคลนหัวหกต้นฟิดบาแบกลังนุ้นขำไ ม, ม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่กว่าที่จะได้มาแม้พวกเราทั้งหลาย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 ถ้าทรงองค์เจ้าจนวนมากมาอบรมกันบวชพวกญาติโองถีบมีศีเลเจริญอุโบสถถ้าศีลศีลแปดอย่างนี้กินข้าวเวลาเดียวตืนต่นตั้งแต่ตีสองึงมาทําจะมาที่ภาวนาอย่างนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในศีลในธรรมนี่กำลังหิวด้วยกินข้าวเคยกินมาอยากเวลาใดก็กินเวลานั่นทีนี้เอามาอยู่วัดมาบวชในคัมะจารีมา มาแต่ไกลๆมาตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งมาทำทามเพียนสองต่วโมงมาฟังเทศอีกเป็นชั่วโมงมาอาว้พระสวดมนต์มาเจริญเมตตาภาวนาโอ้กว่าจะได้กินข้าวฟาดเข้าไปตั้งสี่โมงเช้าหิวละทีนี่ยให้ความหิวนั้นแหละจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ให้กับคนที่หิวให้น้ำสักแก้วหนึ่งแก่ผู้ที่กาลังห้อยหิวน้าในทะเลสาย เงินล้านบาทอาจจะไม่มีความหมายสําหรับผู้ที่เดินทางในทะเลสายกําลังหิวน้ํากําลังจะล้มจะตายน้ําแก้วหนึ่งจะมีค่ากว่าเงินหนึ่งล้านบาทท่ามกลางทะเลสายที่กําลังหิวกระหายน้ยํายังไรลองคิดดูว่าการให้จะมันสําคัญบุคคลผู้ให้บุคคลผู้รับสิ่งของที่ให้การที่ให้เลยว่าการละสมประธาถึงพร้อมด้วยกันอย่างนี้ข้าวทัพพีหนึ่งมีค่ามากสําหรับผู้ที่หิวโหย ในสมัยพุทธการพภราษาริบุทัมมะหักัสปาพระอ ร, ริยเจา้าพระเสขาทั้งหลายลูกศิษย์ของพุทธเจ้าท่านเข้านิโรธสมาบัติเจ็ดวันเจีฟันออกมาแล้วมันจะต้องหิวหล่างกายจะต้องหิวหอยท่านจะจะคิดต่อไปว่าใครนอควรจะได้รับบุญรับกุศลจากเราเพราะว่าการที่หิวหิวนั่กินอะไรมันก็อร่อยอร่อยปลาแดกบองจำปาแดกแก้แวเฉยเฉยมันก็แซบแล้วมันก็อร่อยแล้ ว, ม, ลวมีกาลังวังชา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 เพื่อส่งข้อเขาเขาดูยากลําบากเขาไม่มีบุญมีกุศลเขาไม่ได้เคยสร้างไม่เคยทํามาบัดนี้แม้เขาจะถานสักครั้งเดียวเลหน่อยที่เขามีนั่นแต่จะเป็นบุญเป็นกุศลคือรูปการและสัมปทาซึ่งบันทีกับนักทุดงเราทุกวันนี้เขาทุดงแตนในเมืองไปส่งข้อคนแตนในเมืองจัดงานบริวารซากรรมที่กาเอารถบรรทุกไปบินทบาวเข้าสารอาหารแห่งในเมืองแล้วก็มาขายต่อไปไม่รู้จะเป็นบุญกันสักขนาดไหนนี่มันีการข้อ เ, เหตุ น, นั้น ให้ข้าวทัพพีหนึ่งแก่ผู้ที่กำลังหอยหิวย่อมเป็นบุญเป็นกุศลที่สดน้ำแก้วหนึ่งมีข้ามากกว่าเงินล้านในขณะที่หอยหิวกลางทะเลตายจงให้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาหวีไปให้คนหัวล้านเอาแหวนไปให้คนมือด้วนอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์เราจงให้อย่างนี้อาเดมากระคิดก็เลยประกาศขึ้นมาว่านัดพผู้ไปทำแล้วก็หันผููใดคิดถึงพ่อแม่ลูกผัวเมียที่ลราหายตายไปให้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลทำน้อยได้บุญมาก โิมที่ชิดบานตับบนหัวหนะ้าการประทมศึกษาอำเภอว่านอนนิว่าท่านปูนีเหล่าไม่กินบุรี่ไม่สูบเป็นหัวหนะ้าในทางซึ่งในทางทำพูดจนครูบาอาจารย์เขาไม่ชอบหนาเขาว่ามีแต่เทศก็ไม่เป็นไราตามทวนไต่เงี้แสงแก่งหงฟูมูชาบอดใบเขาสีห์ห้อมใดคันประจุดตะเกียงหาคนตาดีสังสเสห์หงหรือนาะปราทันสังสิทธิเ์เสือกหูว่ามีส่องปองข้างเพราะเห็นนั้นท่านก็เลยพูดไป เดี๋ยวไปที่ตามบ้านตะ บ, บนในคนหนึ่งก็มาจองผมขอเลี้ยงเงินวันเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ล้มหายตายไปป้าก็ว่าท่านผู้นี้แฉออกมาว่าการทําบุญครั้งนี้เลี้ยงคนห้าร้อยคนนั่นผมได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้หมดเงินไปสี่พันกว่าบาทแถมยังเหลืออีกพันบาทเข้ามาร่วมบํารุงในการฝีการพิสัตตนะในวัดเ อ, องดูพวกเราทําบุญกันหมดเป็นหมื่นๆแต่ก็ไม่เห็นจะเป็นบุญตรงไหนเลย แต่นี่คนที่มารวมกันเป็นสี่ร้อยห้าร้อยจากไกลๆมีเงินเป็นแสนไปจ้างท่านเรานี่มาก็ไม่ได้เพราะฉนั้นรรมมาก็เลยเห็นว่าโอ้ประชาชนตื่นตัวพอสมควรสิ่งที่น่าคิดอีกอันหนึ่งก็คือเทปบรรยายธรรมะในวันนั้นพบผู้ไฟทำภายในเจ็ดวันนี้พอดีคือหาบดีชาวนิคมคำสร้อยคูบาอาจารย์ทางอําเภอเลิงนุ ก, กทาได้ฟังเทปแล้วเกิดศรัทธาเรื่อมไสออกเงินออกทองแล้วไปซื้อเครื่องทายเทพ เครื่องน้อยๆมาให้ใช่ว่า ง, งี้แต่มวนหนึ่งสองนาทีป้าก็ว่าต้องทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนในเจ็ดวันในพระเนนไม่ได้หลับได้นอนส่วนที่บันทึกเสียงเทปที่บรรยายธรรมประชาชนมหาชนที่มาอบรมสมาธิปริวาตตามก่อจองขอเอาไปฟังเราก็ให้ถ่ายให้มวลละยี่สิบาทยี่สิบาทป้าก็ว่าหมดไปหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบกว่ามวน ซึ่งมันหมดไ ม, ไม่ไม่มีอีกเลยเราก็ไปสั่งมาไม่ทันบางคนไม่ได้เสียอกเสียใจต้องขอทโทษขออภัยที่ไม่ได้บริการไม่ถวดถึงทั้งหมดนั้นบางคนอาจจะอาจจะน้อยใจว่าทําไมเราไม่ได้บางคนก็ฝากเอาไว้ให้ที่ยูไวไฟคือาตาังไว้ให้ทรงเทพเหล่านี้ไปให้อั น, นเป็นเครื่องเตือนบอกให้รู้ว่ารุ่องอรุณแล้วนะการปฏิบัติธรรมทำมาเป็นอาักาลิโกไม่ลาสมัย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 ไปร่วมปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาห้าวันห้าคืนที่จังหวัดหนองคายเรียกว่าปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่อีกเก้าต่อไปเจ้าของหาเจ้าของรถบัสทางจังหวัดหนองคายอ่ะมาก็ลืมชื่อไปซะแล้วงเกิดมานิมนต์แล้วจะเอารถบัสมารับที่วัดสองคันท่านมีมากก็จะเพิ่มดีเป็นสามเอาประชาชนไปปฏิบัติธรรมวัดเคลื่อนที่ที่บา้านหนองสองห้องวันที่ยี่สิบ 5มีนาคม2533 25มีนาคมถึง31บอกให้ทราบแต่ทั้งหรายอาจจะจำจาแล้วผิดผิดเขียนจดหมายมาถามมาถา ม, มาถามกันบ่อยๆเดินมาถามเองก็มีวันที่25มีนาถึง31มีนา5วัน5คืนที่บ้านหนองสองห้องอาจังหวัดหนองคายปฏิบัติการวัดเคื่อนที่จามนิเพธพระปรารามอบรมสมาธิภาวนา แกประชาชนญยาติยอมตลอดทั้งอบรมศิลธรรมจริยธรรมแกบุคคลทั่วไปท่านผู้ใฝ่ใจที่เคยได้มาฝึกมาปฏิบัติแล้วก็มีความพอใจบอกว่าเจ็ดวันมันน้อยไปเป็นเดือนก็จะเอาบัด น, นี้ขอบอกล่วงหน้าถ้าท่านต้องการจะไปฝึกอบรมคอร์สต่อไปสมาธิภาวนาที่จังหวัดน้องคายหรือว่าวัดเคลื่อนที่จากนิเพทพราลามบ้านแพรกเชิญมารวมรอตั้งแต่วันที่ยีสิบสี่ตอนเย็นที่วัด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 เมื่อถึงรุ่งอรุณแล้วก็ควรจะถึงฟ้าสางจะให้เมฆงอกมาบดบังท่านผูส้สนใจก็ะตื้อมอีกวันที่สิบเมษาตอนเย็นมาพบกันที่นิเพทพะพารามท่านที่อยูใกล้ๆเตรียมเครื่องบริการของท่านเครื่องเขาหอมเขาอะไรต่างๆพระเนนมีความสนใจจะร่วมก็ได้ก็ได้อีกเมืองกันแต่ก็ต้องบอกลงหน้าอีกนะอยาเสพติดมาภูบริเลิกเด็ดขาดเราจะต้งฉันเพียงเวลาเดียวในบาท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 วัวเ ม, มาสูป้าดับเคี้ยวโก๋มันไม่มีประโยชน์แก่ร่างกายอะไรเลยเคี้ยวแล้วกืนกินตุ๊บเดียวก็ไม่ได้คายคายทิ้งทมทิ้งไม่มีประโยชน์เอาควันไปรมปอดตอนเองให้มันเกิโดโทษเกิดพิษเราเป็นอันตรายต่อผู้อื่นนั้นสกรปรกด้วยจิตใจก็จะสกรปรกอย่างนั้นอีกด้วยก็คายซะเลิกซะผู้อย่างนี้จะยากรยาเกยวกนาาันนะสาธุอเวโลโฮมิแ ท, ท่านเดมีกีเลนมิติที่ทั่วพริเวณนี้ ด, ดา่ากันเป็นกระบุงขออภัย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 การบรรยายธรรมทั้งนันเนี่ยพันสามร้อยแปดสิบน้ตรู้สึกว่าเป็นการหมุนกงรงล้อแห่งธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมายก็เลยนึกต่อไปว่าถ้าหากมันเป็นอย่างนี้มานเมืองเราก็คงจะไม่หูป่าตาเถือนกันจนเกินไปฟังกันรู้เรื่องฟังกันรู้เรื่องมันคงจะถึงท้าที่คนโบราณว่าสัตนาพระเจ้าองค์ประเสริฐตะพันเมืองล่างเธอโบกล่างเธอเต็มดังพะจันทร์อยู่ทั้งฝ้า ศาสนาลวงเข่าสองพันปีปลายเศษรงอยู่หองเห็นแจงขยอดธถ้ำหักซึ่งยังเลือหน่อยในข้องพุทโทดโถวส่วนหลายไล่ล า, ล า, ลาถิมข้องสงป้าปล่อยวินัยถือแต่หน่อยพ่อได้หูหอ ม, มเรื่องหมายกว่ามันยังมีอยู่ผู้รู้ผู้เห็นก็อนอยังมีผู้ดิทํำเสื้อนเสียก็มีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาโลกมันเป็นอย่างนี้อาตมายังไม่คิดไกลต่อไปว่าเออคนหนึ่งไปเชี่ยวปลูกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมา แต่ความหลับไหลงมมาอีกคนนึงก็เที่ยวไปแจกยา น, นอนหลับเอากินยี่ห้อนี้หลับต่อไปปูุกเตืงนขึ้นมาใหม่กินยี่ห้ออื่นต่อไปพาะสงองค์เจ้าที่ไปเยื่ยย้ อ, ยอมมอมเมาประชาชนให้ลลงไห้งมงายบอกเหลกบอกหวยสักตามมอมเซกะบานรถน้ำมนต์ผ่อนน้ำมัน นั้นยังมีมากไปเจมเิมมือเจอมมืไปสระดอกเคาะตัดกาตัดเบนเสริมตันเนสเ ส, สริมมงคลเป็นหมอยาเป็นหมอไห่ผีหมอกันลูกซ้อนไปเปิดประตตาบีดอกเล่มที่กาวขนลุกคนทองที่พระพุววะทธเจ้าด่าว่ายในศีลขันธาวัตรทีคณิกายนั่นสูเล่มแรกของพระสวดไปอ่านเธอไปอ่านเธอท่านจะเห็นลักษณะเช่นนี้เท่าว่าคนหนึ่งไปทําสะอาดว่ายอีกคน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 เรารู้เ่าดันเราไม่เป็นเจ้าของมานเป็นนายของมานไม่เอามาตั้งไว้บนหัวตั้งไว้ใต้ติน้ลนลักษณะเช่นนี้ต้องอาศัยจิตเป็นสมาธิลักษณะเช่นนี้อาศัยจิตมีสติมีสัมปชัญญะซึ่งสมาธินั้นจะเป็นกําลังให้สติให้สัมปชัญญะทางานกันต่อไปเราก็จะก้าวไปสู่ความเจริญทางจิตใจทางศาสนะไม่ต้องถามว่าสำนักนีิท่านสอนยังไนอ่อนสำนักโน้นพุดโผล่สำนักนนมีหยุดนอพ่องนอสำนักนั้นสมาอาละังสำนักนั้น ไว้นี่งนเงีเง้งยงี้ยเงี้ยอะไรต่างๆเราไม่ต้องมางงุเรามาวัดกันที่กิเลสที่จิตที่ใจว่าปฏิบัติแล้วจิตใจมันปล่อยวางไหมปฏิบัติไปแล้วจิตใจมันบรรเทาเบาบ า, บางไหมวิราคะวิสังโยคะอาปิจยาอภิ ช, ชาตาสั้นทุกที่ปวิเววเวกับวริยารัมภสุภราตาปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อความจางคายเป็นไปเพื่อความนายคายกำเนัดเป็นไปเพื่อความไม่อยากใหญ่อยากดังเป็นไปเพื่อความไม่สะสม ความทุกกองกิเลสทั้งหลายเป็นไปเพื่อความมาักน้อยเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความพอใจยินดีในตนเองในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ได้เป็นไปเพื่อความเรื่งง่ายเป็นไปเพื่อประกอบความเพียรไม่เบื่อหน่ายมวนซูมโฮเซลในการทำนี่มวลซูมไปรตรงโฮเซลตออ อวันอยูการประพฤติปฏิบัติเออดูจิตดูใจว่าความทุกข์มันลดลงไหมความอยากใายความโกรธมันลดลงไหมความโลภมันลดลงไหมถ้ามันลดลงมากมันก็มีความทุกข์น้อยอย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติเพื่อไม่ทุกข์เพื่อออกจากทุกข์สัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะสติการณทายะเพื่อออกจากทุกข์นิสรณะแปลว่าออกสัพพทุกขะนิสรณะ เพื่อทำนิพพานคือความดับทุกข์ให้แจ้งบูไปที่จิตที่ใจเราปฏิบัติทุดโทอมาอรหังยุบนอพองนอหนอไว้อะไรก็ตามเพ่งลูกแก้วดวงกลมสเนื้อสะดือฟองมิว้วจิตใจเราเบาบางลงไหมเงี้เขาด่ามาโกรดน้อยลงไหมหรือไม่โกรธเลยหรือยิ่งโกรธยังมีทิฏฐิมานะอย่างไม่อีโก้ยี่งขึ้นอยู่มีซูเป อ, อีโก้มีความยึดมัน่นถือมันว่าคาเป็นผู้มีสิ้นมีธรรมเถื่นทุกข์คนนัถ้าอย่างงี้ไม่ได้เรื่อง ไมไเรื่องเพราะเรื่องการปฏิบัตินั้นจะต้องมาวัดกันให้เห็นรุ่งอรุณจนฟ้าสางโดยที่จิตที่ใจเร า, ามีความทุกข์น้อยลงไหมถ้ามีความทุกข์ลดลง25เปอร์ซ็นบอกได้เลยว่าเป็นโสดาวันผู้เขาเ้าถึงกระแสแห่งธรรมถ้าความทุกข์ในจิตในใ จ, ในใจลดลง50เปอร์เซ็นเป็นสกิทาคามีไปเลยถ้าความทุกข์ลดลง75เปอร์เซ็นเกาะเป็นอนาณาคามี ท่าความทุกข์ลดลงหมดเลยร้อยเปอร์เซนตก็เป็นพระอรหันได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระอรหรันต์ดอกท่านบอกให้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะดับทุกข์เวลาใดใครฟังเทศเขาอกเข้าใจแล้วอยากจะบวชท่านก็จะบอกว่าเอหิพิคุปสัมปทาพมจาริยังจาระทะนันโตทุกษาอันตะกิริยา ย, ยะธรรมมามาเป็นภิกษสุสงฆ มาประพฤติพรมาจันนี้เพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์ทำไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรมาจันนี้เพื่อจะเป็นพระอรหันต์มาประพฤติพรมาจันนี้เพื่อเป็นโซโดาบันเป็นสกทาคาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์กันเถิดท่านไม่เคยพูดเลยแต่ท่านบอกว่าเพื่อดับทุกข์อันโตทุกขะสะอันตะกิริยายะมาประพฤติพรมาจันเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ความทุกข์ถึงที่สุดแล้วมันลดทิ้งจนไม่มีความทุกข์อีกเลย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 พญาก้มเญวเ่งนูเมื่อเอาสูขาไปเทินหันหน้าเข้าฟ้าเช็ดน้ำตาผู้เท่าตกน้าโลกตกนาลกั้งเป็นไปปฏิบัติธรรมกลับมาผัวถามได้หลายแถวบบุญทันอออหลองซ่อนเด้เจ้าตอนบุญจะมันไปโดนยังบนนนอยู่บัดหน้าดำตาแดงแยกเกี้ยวแยกคางเป็นยักษ์ขี้นี้ขึ้นมานั่นแสดงว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้กล่าวหนะ้าอะไรเลย พุทธโธก็ไม่กล่าหน้ายเนอ้อพองน้อไม่กล่าหน้าทมาอะไรังไวนิ่อะไรต่างๆไม่กลาวหน้าทั้งนั้นถ้าสิงเหานี้มันเพิ่มขึ้นถ้ามันโลกลดลงลดลงเขาด่าก็ให้เจ้าตอนฝนเหนือจังบนน้อนจังหวัดฝนได้ร้ายแทบอบุญสาธุยดีมีแหงก๋วยซืพอ่อเจ้าร้ายรแต่กัขอเวลาี้พอได้ประพฤติปฏิบัติดูน้ำเจ365้าสามร้อยหกสนต่อปีขอขอเจ็ด ม, มื่อพอจเือนเยขอยเอาบุญมาฝาก ดามาก็ยิ้ยักษ์โคโนเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเทพปฏิดา ย, ยิ้มยักษ์มันกลัวยิ้มเดี๋ยวมันก็ตายถ้าครุ้งนู้ดามาทรั้งนี้ก็โกรธขุนดาตอบยักษ์เคินบ้านแล้วทั้งโคโนทั้งขีนีได้ตีกันลกยักษ์ร้องให้ะนันบันไว้คบกับบากสากเบือปูอว่นนี่หรือคือผู้ปฏิบัติธรรมเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมได้เกิดมีขึ้นมาแล้ว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 ปัญญาป้องกันและทำลายสมาทำลายความทุกอย่างละเอียดละเอียดอนุสัยสังโยให้เสิ้นไปให้หมดไปนิสัยที่เคยโกรดนิสัยเคยเกลียดเคยเหี้ยเคยชังง่ายง่ายนเชียวง่ายๆก็ให้มันหมดไปมันสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือ น, นเราทำลายต้นไม้ตัดกิ่งตัดตานรานกิ่งตัดต้ดนโคนรากถึงถอนออกมาให้มันหมดไปให้มันสิ้นไปเนี่ย คือการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาสึ่งที่น่าประทับใจและรุ่งอรุณอีกอันหนึ่งก็คือผู้ทำบุญตลอดเวลาเจ็ดวันนี้มาจองกันเพื่อคนละวันคนละวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล้มหายายจากสาธุไม่ได้ขาดสัตว์ตัชีวิตอะไรไม่ได้จังนั่งจังละครล้วนได้เป็นการสนับสนุนพระพุทธศาสนาและผู้มีศีลทั้งหลายยังไม่พอพองานเสร็จปับ๊บโดยไม่มีคนจองอีกแล้ว ปีหน้าผมจะจองวันนั้นวันนั้นบางคนขอจองอย่างคุณยอมที่บ้านมั่งคุณยอมนิพนบอกผมขอจองเลยเดิมแต่น้าผมเอาหมูสุดท้ายวันฉันจะเอารถบ้านมาตั้งไว้รอคอยส่งอีกด้วยแน่เห็นไหมละ่ะบุญเกิดแล้วรุ่งอรุณแล้วสาธุขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะอย่าพึ่งตายจากกันจนถึงปีหน้าได้ทําบุญร่วมกันคุณยอมนิพนที่บ้านมั่งท่านผู้นี้ทำบุญดีเลยเกินคุณยอมนิพนอุ ป, ปการะคนที่ซ้อมชื่อของท่าน วันนี้เวลาแห่งการบรรยายเราหมดไปแล้วขอความสุขสวัสดี